นิทานเรื่องที่13บาพระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นโสกขวาเอาตัวเวตาลขึ้นพาดบ่าแล้วเดินกลับมายัางเส้นทางเดิมระหว่างทางเวตาลก็เริ่มขยับแล้วพูดขึ้นว่าออไฮการเดินทางครั้งนี้มันช่างน่าเบื่อสัะจริงดังนั้นข้าว่าจะเล่านิทานแก้เบื่อให้ท่านฟังสักเรื่องดีกว่า กาลครั้งหนึ่งณนะเมืองพาราณสีมีพระผู้หนึ่งนามว่าทาริสวามินเขามีภรรยาผู้งดงามดังนางอับศร น, นางว่าเล่าวันเยวดีวันหนึ่งขณะที่นางและสามีนอนหลับอยู่ในบ้านได้มีวิทยาธรตนหนึ่งนามว่ามัทนาเวกได้เหาะผ่านมาเห็นนางราวันเยวดีทั้งหน้าตาก็ เ, าเกิดความพอใจใครอยากได้นางมาเป็นภรรยา จึงลักลอบกุ่มนางเคาะหายไปครั้นถึงรุ่งเช้าเมื่อพรามหาริสวามินตื่นขึ้นไม่พบภรรยาจึงออกค้นหานางไปทั่วแต่ก็ไม่พบทาให้เขาเสียใจแทบเสียสติจนญาติพี่น้องต้องช่วยกันห้ามปรามแล้วเฝ้ารอคอยนางด้วยความหวังในการต่อมาพรามหาริสวามินได้ออกเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อขอพอรให้ได้พบเจอนางราวาญยวดีโดยเขาได้ตั้งความหวังเอาไวล้ลึกๆว่าจะต้องได้เจอกับภรรยาที่รักในระหว่างการเดินทางเขาต้องพบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประกอบกับความหิวที่เกิดขึ้นจึงหมดแรงอยู่ที่หน้าบ้านของนางพรามณีผู้หนึ่งซึ่งกําลังรับประทานอาหารอยู่กับพราหมณ์ผู้เป็นสามีเมื่อนางเห็นพรามหม์พาริสวา่าเมนเข้าจึงสงสารและได้นําข้าวที่ต้มด้วยน้ํานม พร้อมเนยใสและน้ำตาลมาให้เขารับประทานเอานี้เจ้าเอาอาหารเนี่ยไปนั่งรับประทานที่ริมบึงนะด้วยความหิวพรามฮาริสวามินรับอาหารนั้นแล้วเดินทางมานั่งกินที่ริมบึงขณะนั้นเองก็มีเหยี่ยวตัวนึงบินขาบงูพิษที่ตายแล้วผ่านมาทันใดนั้นน้ำลายปนพิษ ข, ของงูตัวนั้นก็หล่นลงในชามอาหารโดยที่เขาไม่ทันได้สังเกต พระมหาริศวามินรับประทานอาหารปนพิษงูเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและแล้วพิษก็เริ่มออกพิษเขารู้สึกตัวได้ว่าในอาหารนั้นมียาพิษจึงกัดฟันลุกขึ้นเดินโซเซกลับไปยังบ้านของพรามด้วยความยากลำบากเมื่อนางพรามณีเห็นเข้าก็ตกใจพระมหริศวามินจึงกล่าวว่าอาารของท่านมีพิษท่านต้องตามหมอมาช่วยคาทีไม่งั้น ข้าคงตายแน่ขาดคำพระมหริสวามินก็ขาดใจตายทันทีเมื่อพระบุโรหิตออกมาเห็นก็คิดว่านางพระมณีเป็นผู้ใส่ยาพิษในข้าวนั้นจึงขับไล่นางออกจากบ้านไปทั้งท้งที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์นางพระมณีเสียใจอย่างมากที่ต้องมารับโทษจึงเดินทางไปยังท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชาระล้างบาปเมื่อเวตาลกล่าวจบลง ก็เอ่ยถามพระราชาว่าท่านคิดว่าในเรื่องนี้ใครที่เป็นคนผิดเยี่ยวงูหรือพรามสามีภรรยาคู่นั้นเจ้าเวตาลน้อยแม่จะรอให้ข้าพูดแล้วเจ้าก็จะ้อยกลับไปที่ต้นอโศกอีกละสิคำถามเจ้าแต่ละข้อช่างง่ายนะมีเรื่องที่ข้าจะไม่รู้แต่ถ้าหากข้าไม่ตอบ ข้าก็จะต้องคำสาบของเจ้าดีข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าความพยายามของข้าจะเอาชนะความเจ้าเล่หของเจ้าได้หรือเปล่าเฮ <c oughs> ท่านราชาทำไมท่านคิดนานจังท่านไม่รู้หรือรู้แต่คิดจะไม่พูดกันแน่ท่านไม่กลัวคำสาบของข้าหรอกหรือข้าคิดว่าไม่มีใครผิดเลยเพราะทุกอย่างเป็นไปตามวิถีของชีวิต นกขาบงูมาก็เพื่อเป็นอาหารส่วนเจ้างูตัวนั้นก็ได้ตายไปแล้วนางพรหมณนนีก็ไม่ผิดเพราะนางไม่รู้เรือ่องืมท่านจังมีความคิดเป็นเลิศแต่เสียใจด้วยนะเพราะข้าต้องให้ท่านตามข้ากลับไปอีกแล้ว <laughs> เวตาหัวเราะเสียงก้องฟ้าแ ล, ล้รลอยกลับไปยังต้นอโศกดังเดิมพระเจ้าตรีวิกรมเสน จึงต้องเดินย้อนกลับไปสุสานอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามวัฏจักรของชีวิตดังนั้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลก นิทาเรื่องที่14พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นนส่งโปรดเวตาลงจากกิ่งเวียงขึ้นผ่าดมาแล้วเดินย้อนกลับมาทางเดิมครู่หนึ่งเจ้าเวตาลก็กล่าวทำลายความเงียบขึ้นว่า อ, อ้าราชาพาทางพระองค์ดูจะเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเที่ยวเดินทางกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบท้นทางหรือก็ยังอีกไกล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 ปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกโจรปล้อนอยู่บ่อยๆพระเจ้าวิระเกตและทหารในปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อเฝ้าระวังและจับกลุ่มโจรเหล่านั้นในคืนหนึง่งพระองค์ได้ถือดาบออกไปเฝ้าระวังโจรบริเวณนอกหมู่บ้านบังเอิญได้เห็นโจรคนหนึ่งพระองค์จึงออกสะกดรอยตามไปแต่ทันใดนั้นโจรผู้นั้นก็หันมาเห็นพระองค์เข้าจะเป็นใครวะกล้าดียังไงถึงตามข้ามาเนี่ย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 ในโจนได้ไร้หมดอันศักดิ์สิทธิ์ป้องกันตนเองแล้วกวัดแกว่งดาบเข้าฟาดฟัตหารล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชาเห็นเขาก็ตรงเข้าต่อสู้ด้วยฝีมือดาบอันชำนาญจนสามารถจับโจได้แล้วพากลับวังประกาศโทษในประหารในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาเจ้าโจก็ถูกนำตัวแห่รอบเมืองก่อนที่จะประหารชีวิตเมื่อขบวนผ่านหน้าบ้านหาเศรษฐี นางรัตนาวดีบังเอิญมองเห็นโจรผู้นั้นและเกิดตกหลุมรักนายโจรผู้นั้นทันทีนางรัตนาวดีรีบวิ่งไปบอกบิดาของตอนเองว่าท่านพ่อช่วยข้าด้วยถ้าพอใจในตัวโจรผู้นั้นโปรดช่วยไถ่ตัวเขาด้วยเถิดหากท่านไม่ช่วยลูกจะข้าตัวตายบิดาของนางได้ฟังก็กล่าวปลอบใจบุตรสาวว่าลูกเอ้ยเจ้าพูดอะไรกอนนีมิชายรูปงานตั้งมาก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 พร้อมกับล้างชีวิตชั่วของโจดให้กลายเป็นคนดีสร้างความดีใจแกบ่บรรดาญาติของนางรัตนาวดีเป็นอย่างมากทางด้านพระเจ้าวิรเกศเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงประกาศแต่งตั้งให้โจดผู้นั้นเป็นยอดขุนพลประจำกองทัพและพระราชทานพิธีสมรสให้ทั้งสองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีโอราชาท่านลองทายมาสิว่าเหตุใดโจรผู้นั้น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 กลับคืนสู่ต้นอสโศกดังเดิมจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นยากนักที่จะเข้าใจสิ่งไงที่ไม่ดีกลับเห็นเป็นสิ่งดีดังคำที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว